สูบใบพลูเปรี้ยวเลยนะลองทําก็ดูก็ได้ใบพลูเปรี้ยวทันทีจากเผ็ดนี่อันดับหนึ่งจะผสมได้เนะี่ยเอา้าหนูทําบสมาธิให้ได้อีกสองรอยครั้งพอได้สองครั้งด้วยการนับแล้วก็แพ่งที่ใบพรูใบพลูหวานเลยถหวานนี่มงทุเรียนได้เลยมงทุเรียนได้เลยลองดูเดี๋ยวพวก่นี้จะเอาใบพรูให้กินแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อทุเรียนมาสักหน่อยมงเลยสบายมาก เหมือนโดนลูกหมอนเหมือนโดนหมอนเนี่ยนี่เขาเรียกลงเบาชาตรีของใคใายของหลวงพ่อสุขมุมศรีขาวเท่าใครมีอย่างนี้นี่ที่องค์นี้เป็นตาําราแต่ไม่ให้เรียนแล้วไม่ให้เรียนแล้วเลิกไม่เอานี่ใบพลูอาตามาดูทีวีอ๋อทหารนี่เองตาอําราที่แล้วลงสองตัวลงอัคระสองตัวในใบพลูท่อหล่อท่อหล่อ หลอท่ อ, อหลอท่ อ, อหลอท่อเนีคาถาวันนี้แล้วก็ว่าไปเสกไปพลูเพี่ยงตอนละมาเสกอยู่ต้องเดือนเมืก็จะเปรี้ยวหนานจังพอเปรี้ยวซะแล้วไม่ต้องมาคาถาเพียเ่ยงเปรี้ยวเลยเพียงหวานเลยเห็นไหลองพ่อเดิมใครมาเพียงดีนี่ลองพ่อไม่ว่าคาถาไม่ต่อใครมาดีเพียงใครมาดีเพียง น้ำหมากเต็มหัวก็ไปเลยดีหมดเอ๊ะเราก็จับไม่ได้ว่าหลวงพ่อไม่ได้ว่าคาถาพองเยียบคนไม่มีใครก็นวดท่านบอกไงรู้ไหมนี่เธอไอที่เพียงดีเนี่ยแล้วยกระดับจิตขึ้นมาไม่ต้องว่าคาถาไอคาถานี่ฝึกหัดต้องจดกันเยอะคาถาเนี่ยบทบริกรรมจำเป็นต้องบริกรรมต้องภาวนาให้จจตมันผดขึ้นมาด้วยด้วยสติ มันปูดขึ้นมาพอพูดขึ้นมาแล้วนึกว่าดีดีเลยถ้าบอกเพียงเสียต้องเสียจริงๆใช่ไหมเนี่ยแต่พระผู้ใหญ่ฉันบอกว่าเออไอคนนี้มันแย่แล้วแย่จริงๆเนะี่ยเพราะท่านมีดีอยู่แบบพระที่ท่านมีจุดมุ่งหมายจสูงถ้าจะไม่ว่าใครจะไม่ด่าใครเลยนะไอพระที่แช่งคนเนะี่ยไม่ใช่พระเนะี่ยแฉ่งแล้วเป็นตามปากโอ้ยี่พวกเราอย่าไปให้ทําให้ท่านท่านท่านาแฉ่งนะ ถ้าท่านว่าเราไม่ยีเสียเลยถ้าพระดีจริงไม่แฉกใค่ไม่ว่าใครยิงย่งดีกว่าพระมีกรุ๊ปมุกไม้อย่างตมาก็ไม่ได้จากของกเดิมเพียงดีเพียงดีท่านก็อยู่ในทางดีไอ้จิตท่านสูง 80% เนี่ยเพียงมันก็ดีหมดเลยสิแต่คนนั้นไม่รับมันก็ไม่ดีนี่อย่างเป่ายานกรเพ็ดมากันยเยอะเจอมาที่นี่ตมาไม่เป่าไม่เป็นก็บอกโยมไปเป่ามาเนี่ยติดหรือเปล่ายานัน ฉันก็ไม่รู้ค่ะอาตมาจะอธิบายฟังถ้าโยมจะทาสีฝาผนังถ้าฝาผนังสกปรกไม่ติดสีไม่แดงไอเฟอร์นิเจอร์นี่ไม่ขาดก่อนไม่เป็นเงาทาไปยังไงก็เสียปเปล่าๆยอมไหมไม่ทาจิตใจล้ามกสกปร ก, กยันไม่ติดเนาะนี่เราก็เป่าอย่างนี้แล้วก็เป่าให้เข้าก็เลยสีลิ่งดําได้ถึงจะไปกันได้แล้วเขามาจะได้มากินข้าวของเราพอกินข้าวเสร็จจะทำไงหลวงพ่อ ผมไปทำบุญก็เหลือสีหมดแล้วนะมาขอข้าวกินเวลาหนึ่งเหลือมาบาทเดียวก็ทำเมื่บาทเดียวก็ได้บอกไม่เป็นไรมันต้องทำก็ได้ไเป็นไรลอกที่วันนี้ให้ทานจริงก็กไปไม่เป็นไรนี่เราก็เป่ายานันเหมือนกันจะเป่เปาธรา ร, รมะเออก็มีความหมายอย่างนี้ก็สรุปได้ความว่าไอสมาธิบำเพ็ญจิตภาวนาก็ต้องการวันนี้กระชากันผีไอคอนมันก็ยึดมั่นว่านโมพะไตรยตันผีได้จริงมันก็มีสติดี เดินไปก็ผีไม่หลอกบางคนเดินไปชักกลัวอย่าไปเนี่ยไอ้แมวมันขับหนูระหว่างทางเราก็ตกใจไม่มีสติเว่งตายเลยตายเลยนี่ที่หน้าโบสถ์ตมาไม่จนมาขามใหญ่อายุตัง800้งแปด้อยปีคนตายห้าศพเนี่ยตรงนี้ตายห้าคน ต, ตมาตอนนั้นยังไม่ได้ไปอยู่กุฏิประจําอยู่ในโบสถ์หลังเตา่าไปนั่งภาวนาอยู่ตอนเย็นกระทบขําเวลาที่แปดนกา คนปะเหนือนี่เองจะไปซื้อของมาตายเพราะตอนนี่เป็นหลังวัดเป็นป่าโดง่งพงทึบหม or, อนพังดอต้อนตายไปร้อยต้นปอมาขามใหญ่มากพอมาถึงต้นมขะขามได้ไงต้นมาขา ม, ว, ามาวันลมมันพัดเือเือเือวิ่งเลยตายหายเลยไปเจ็บเจ็ดวันตายตายไปถึงศพตายมือศพก็ลำเลือการบอกม่ว่าตอนนี้ผีดูจริงๆ อีกขหนึ่งนอนอยู่เตาเอิดอยู่ข้างบันแขกแขกที่ข้างงวงนี่บันเหนือนี่มีเดี๋ยวนี้ก็ตายไปแล้วก็มาจะไปซื้อของเด็กรุ่นลนก็เดินมาพอเดเ็กมาขามก็ขวานไอ้โลมันพัดอืเ อ, อ, อ, อ, อเว้นเลยโลูกชาวตายเห็นไหมเนี่ยนี่มันตายตรงไหนเพ่ตรงนี้ดูเยอะเกิน ล่ำเลือกันมากมายตมาเห็นว่าจะอยู่ไม่ได้่หรอกผีวัดดู้ม า, ากถ้าอะไรไอน้นมนมมาเนี่ น, นั่นแหละกระถาไม่มีแล้วนี่หน้ามาเนี่ยสาวม่อมาลูกนึงเดี๋ยวกูจะเรียกผีเข้าหมอทวงแม่พระกลางนานัน่นแหละเอาไปฟ้ามาดมาบอกหนึ่ง น, นั่นแหละผีดุนะอตมาเขาจะวอนออกเลยนมนมเฮ้ ย, ย, ย, ยมึงขึ้นออกหน้าวะกูอยู่หลังเอ้าหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้ อาวเนี่เองออกหน้านี่นะกาการอยู่หลังนี่การเสกคถาที่เต็มที่ถ้ากันออกหน้าไปเนี่ยเสกคาถาไม่รั้งเพราะอะไรเราก็กลัวไม่กลับนี่เราก็ต้องออกแบบบอกไอ้หนูขึ้นก่อนเองเอาไฟฟ้าจงแล้วข้าจะถือหม้อต้องเสกหม้อด้วยเสกไปเผผีเมมันจะลงหม้อกันถ้าการอยู่หลังเองออกหน้าไปนะผีมันเมื่อมันจะมาลงหม้อได้ไงเองมันขวางหม้อนะเข้าใจไหม พได้ความออกมาก็ขึ้นไปสรุปตายหาจริงเีเมสองตัวอยู่ในโพรงตัวลายลผีนี่ตัวหลายๆปากยอกตาหยองเงินแล้วทีนี้พอดีมันเอาหนูมาป้อนลูกมันพอป้อนแล้วมันก็ขัพือเปลียมันก็ร้องออือไปบรรยอดประถามนี่ตายเลยเหไหม ต้ยจังห้าหกศพเลยบอกนี่นะเพอยู่ตรงนี้เองเลยจะต้องฆ่าผีซะกวันนี้ฆ่าอะไรก็ไฟฟ้าส่งดูมันเป็นโพรงที่มาขามเอาไฟฉายส่งดูอ๋อลูกมันมีสองตัวรอปล่อยให้ลูกมันตตก่อนแ ล, แล้วเราก็ลงนี่บอกอ้ลุลงลมมาดูนี่นี่ผีอยู่ตรงนี้เป็นพยานหลักฐานด้วยกันไอ้ตัวลายๆอ่ะป า, าตัวโตๆเขาเรียกอะไรไม่ใช่ใหญ่ ม่ใจะนกคู่นกคูกกก่ตัวเล็ก <c oughs> นกอะไรนุกเปีกอไอลาย <c oughs> เลยพอลูกมันโตข้าวเขาเรียกเลยนกอะไร <c oughs> ไนกตัวใหญ่เลยมันมันมันมาเลยออกคูกค <c oughs> ปากยาวปากยาวนกแสกลลูกสองตัวเอาหนูมาป้อนแล้วมันก็กิน มั น, ก, มน ก, ก็มันก็เปือผีดมันก็ร้องอืออือมันก็ก้องไปยอดมานี่เพรนี่เพราะฉะนั้นจับได้เลยคือมีสติอย่างนี้นี่ค้อนไม่มีสติตายยากวิ่งหนีเห็นไหมเนี่ยแล้วไปเจ็บหัวโกรนโกลนใบาตายเลยเพิ่อไปเรื่อเพอิเพอไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เพอย่างนี้เนี่ยเลยจะมาก็โคตรจนมาถามเสียเลยไปบอกชาวบ้านมาเผาถ่านแบ่งกัน เลยต้นมาถามหน้าโบสถ์กงไม่มีจนบนันี้ผีวันนี้ดูนะแล้วยอมผู้หญิงไปนอนห้องไหนบ้างเดี๋ยวคืนนี้จะให้แม่กาหลงไปนอนเป็นเพื่อนอันนี้ก็สรุปว่าไอ้สติตัวเดียวถ้าคนไหนมีสติดีนะไปไหนไม่ต้องกลัวไม่ต้องว่าคาถาก็ได้บทบริกรรมแล้วก็บอกว่าคิดหนอ หรือกลัวหนอกลัวหนอกลัวหนอตั้งสติไว้จิตมันก็ยึดมัดสติดีไปไหนไปได้ไม่เป็นไรถ้ากลัวอย่าไปนะกลัวอย่าไปนะอะไรมันเจียวจ้าขึ้นมาก็ตกอกตกใจผีซ้ำดำพลอยไปเลยนะแท้จริงนะไม่ได้เป็นเช่นนั้นไอ้เราพาภาวนาคถาต้องการให้มีสตีต้องการให้มีสัมปชัญญะต้องการไม ah hm at, ่ให ah hm ้ละม ah hm at, าด ah hm ต้องการให้จิตตื่นเต้น ต้องการไม่จิตวอกแวกไม่ต้องการไม่จิตตกไปในสู่ทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นจิตเล่นลับพนาตื่นเต้นเนี่ยสามารถรู้เล็ดหลอดไปได้ไอ้พวกนี้การพนันตำรวจขับผากซือเข้าไปในก็พายได้เวลาออกต้องถางออกเห้นไมเนี่ยจิตมันเล่นลับมันตื่นเต้นมันมีพินิหารเนี่ยมีอํานาจมากอันนี้ขอฝากไปชนี้พอสมควรเกิวเวลาแล้ว พ็ตอนเช้าตมาให้แนวว่าพวกญาติโ ย, ยมกรมการศาสนาก็ควรจะตื่นมาช่วยกันสวดมนต์ตีสี่แผ่เมตตาแล้วรีบเดินจงกลมนั่งภาวนากะเทอะ์กไอการรับฟังพูดเนี่ยทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมยากต้องปฏิบัติขึ้นมาจึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นมาด้วยตัวเองรู้เห็นเป็นพยาณด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองเห็นด้วยใจเอง และรู้ด้วยตนเองอย่างนี้จึงจะได้รับผลอันนี้สงสมความมุมา่นัจฉนาก็จะมาพูดมาถึงอ่านพารโนยพอสมควรเก็เวลาในที่ประชุมสมาคมนี้ขออำนาจบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประเพณมาและในฟังวิทยากรมาหลายท่านมาตลอดวันยังค่ำแล้วก็คงจะเหนื่อยอ่อนกายและไปพักผ่อนตามสบายและนั่งพองหนอยกหนอจนกว่าจะหลับกันหลับ มีสติตื่นมีสติมันจะได้รู้อะไรภายในได้ดีมากขอท่านทำได้เองไม่ใช่สอนแล้วพูดแล้วก็เป็นได้คงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนขอความสุขสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทุกคนและพระภิกษุสองทุกโลกและของออกงามไพบูรในกิจกรรมในหน้าที่แล ะ, จะเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละปฏิพานาสน า, านสมบัติเนกเกตึง่ประการใดสมความมุมาตัธนา ด้วยการทุกๆโูกทุกนามและโอกาสบัตรนี้เทิน<า>น้มาสการพระเทลานุเทละครูบาอาจารย์ทุกรูกละขอเจริญสุขนวาวกะธรรมทายาทุกรูกและขอเจริญพรท่านวิทยากรคุณโยมผู้เป็นมิกรประจำ ตอลอดกระทั่งขอเจริญพรท่านข้ า, า, าราการเจ้าหน้าที่พนักงานจัดนการทุกท่านตอลอกดกระทั่งผู้จัดรายงานการกรมการศาสนาในวันนี้อาตอมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงบรรยายเรื่องกฎแห่งกรรมตามเป็นจริงที่ประสบประการกับปัญหาสืบต่อไปนาโอกาสบับหนี้ <c oughs> ท่านพระภิกษุ ธรรมทาญาติผู้รับธาญาติในประสาทนาทุกท่านขอเจริญพรบรรดาญาผี่น้องคุณโยมหญิงโยมชายกรมการศาสนานั้นวันนี้ลาชาไปหน่อยเพราะอาตมาไม่เคยว่างไม่เคยพักในกิจวัตรของอาตมาไม่ได้หลับได้นอนเท่าไหร น, นักกอขอฝากคำพูดนี้ไว้ว่าเหมือนปีลาวเป่าระบายลมได้ เป่าได้นานหลายเพลงถ้าคนเป่าปีระบายลมไม่ได้ไม่รู้จักจะพักจิตอย่างไรไม่เข้าใจการเจริญวิปัสสนาไม่เข้าใจรู้วาระจิตมันเป็นอย่างไรรับรองระบายลมไม่ได้แน่เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งงานเหนื่อยทั้งจิตประสบาการณ์กับปัญหามากทำให้เรามีปัญหา ออกจากบ้านมาก็มีปัญหาระหว่างทางมาถึงสำนักงานก็มีปัญหาอีกที่สำนักงานนัหนยังมีปัญหากับท่านผู้บังคับบัญชาที่เราทำงานราชาก็ดออกจากสำนักงานก็ยอมจะมีปัญหาระหว่างทางไปถึงบ้านในครอบครัวก็มีปัญหาพันทัวอยู่ในใจมีความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไม่เข้าใจในเรื่องวิธีการคุกชีวิต มันมีพลาดผิดทุกเวลาจิตนี่มันเหมือนกระแสะไฟเหมือนลิงข้างป่านชนีเร็วยิ่งกว่าเครื่องบินมันต้องคิดอ่านอารมณ์อยู่เสมอตลอดในยการชีวิตหนอคืออะไรกันแน่เราก็ไม่ทราบเลยพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเราเกิดมาในสากลผีพบนี้เนี่ยเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเลือกเกิดได้เราคงจะไม่มาอยู่บนนก เราต้องไปเกิดในประสาทราชวังเกิดในบ้านมหาเศรษฐีใหญ่เกิดในบ้านคนที่มีปัญญานี่มันก็เลือกไม่ได้แต่เรามีคุณพ่อคนเดียวมีคุณแม่ก็คนเดียวมีอีกคงไม่ได้ปัญหาชีวิตแต่เราเปลี่ยนคนได้เราจะอยู่กับเพื่อนกี่คนมีเพื่อนกี่คนมีแฟนกี่คนก็สามารถจะเป็นได้ จะมีสามีกี่คนตามใจอารมณ์ของเราก็มีได้เราจะมีภรรยากี่คนก็ตามสิทธิของตอนสามารถมีได้ทุกคนทุกเวลาแต่จะมีเหตุผลในชีวิตในข้อคิกของตอนหาได้ไหมมีความหมายอยู่อย่างนี้พระพิสุนวาวกาท่านเป็นผู้บทใหม่ประสบะการณ์กับปัญหาน่อยนะัก อาจจะไม่รู้เหตุผลข้อแท้จริงของในชีวิตของเราที่เกิดมาในสากล곤ภพเราจะได้รับอบรมจากพระอุเบชชาท่านบอกว่าปิตโฉมนุสสะปฏิลาภโอของหายากอย่างยิ่งมีอยู่สี่ประการเราก็หายากแต่ผู้ที่บวชนั่นครบสี่ประการมีความหมายอย่างนั้นคําว่าปิติโฉมนุสสะปฏิลาภโอเกินการเกิดเป็นมนุษย์ยากมาก มนุษย์เกิดขึ้นหนึ่งคนสัตว์เดรัจฉานเกิดขึ้นถึงละหนึ่งล้านตัวสัตว์เดรัจฉานคือหมายความว่าไม่ใช่มนุษย์จะเป็นช้างมา้าวัวควายจะเป็นสัตว์ป่าสัตว์บกสัตว์น้ําเรียกว่าเดรัจฉานทั้งนั้นทําไมเรียกเดรัจฉานเพราะมันไม่มีปัญญาจึงเรียกเดรัจฉานแต่เรากลับเข้าใจผิดคิดว่าเดรัจฉานประทานโทษขอนแยกกล่าวเข้าใจว่าหมูหรือหมาสุนัขเป็นตน้น ขอเท็จริงไม่ใช่เดลฉานแปลว่าขวางเดลฉานแปลว่าผู้ไม่มีปัญญาเดลฉานแปลว่าไม่มีสติสัมปชัญญะเหมือนมนุษย์แต่มนุษย์มีสติญญอยู่แล้วมีสัมปชัญญะอยู่แล้วแต่ก็ไม่สามารถเอามาใช้เกิดประโยชน์ในกิจประจำวันของตนได้จึงได้แตกแตกกันจะออกไปในกฎแห่งกรรมจากการกระทําของตอนนั้นเป็นผลงานงชีวิต มันพลาดผิดอยู่มิใช่น้อยกิจชโอมนุ์สา ป, ปฏิลาพการเกิดเป็นมนุษย์ยากนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์นับว่าโชคดีแล้วโชคดีสองชั้นชั้นที่หนึ่งได้จะเกิดมามีรูปร่างหน้าตาสวยงามอาการสามที่สองนั่งยองๆ อ, อยู่ทองเขามารดาครบเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพสตรี มีดีอยู่ในตัวนอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีอาการสามในสองครบตาก็ไม่บอดถูกก็ไม่หนวกมันง่อยเปรียดเสียข า, าจะประการใดถ้าทั้งหลายคิดแล้วก็คิดต่อไปว่าอ๋อเรานี่มาเกิดเพราะบุญกุศลแท้ๆเกิดมาอย่างแน่แน่มีอาการครบนี่มาด้วยบุญมีคุณสมบัติมาคือกิจโฉมนุสสปฏิลาภการที่เกิดมาเป็นมนุษย์น่ะอย่างสุดซึ้ง ก็เนื่องจากมีคุรสมบัติมนุษย์มาการท่านทั้งหลายไม่มีคุรสมบัติมนุษย์แล้วนะท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์แสนจะยากที่สุดบางคนเป็นมนุษย์แล้วทำความเป็นมนุษย์ให้ต่ำต้อยถอยหลังลงไปความเป็นมนุษย์ก็หมดไปสิ่งทั้งหลายก็มาแทบเซลนิวแซงอยู่ในจิตใจเลยก็รูปร่างโสภภาพาที่เราเรียกว่ามนุษย์ ลางกายก็บริสุทธิ์โสภาภาคหน้าตาเหมือนพระเอกในหนังสวยยังไม่เทียบนางเอกในหนังก็ยังสู้เราไม่ได้ทํานองนี้เป็นต้นเ้าสวยดีกับนางเอกแต่เลดในเป็นเปรกกาศได้คนเรามันแตกแยกกันออกไปอย่างนี้เป็นตน้นพี่น้องทุกคนโปรดได้รับทราบดังที่กล่าวแล้วบอกคนเกิดเลือกเกิดไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกเป็นได้ เลือกเป็นรัฐมนตรีก็ไดะ้นี่เขาตั้งกันหมดแล้วเมื่อคืนนี้พร้ อ, อมตัวไว้หมดแล้วคนนั้นเป็นรองนายกคนนั้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้กระทรวงศึกษามาอีกแล้วพลเอกมนะฐก็ว่ากันไปเป็นทหารด้วยรัฐมนตรีทรวงมหาไทยเขาก็ต่างกันหมดแน่ได้ข่าวเขาลือกันที่กรุงเทพเขาว่าต่างหมดแน่บอกว่ามีชื่ออตาตมาไหม ก็บอกว่าไม่เจอชื่ออาตมาเลยอาตมาก็กลุ้มใจนอนไม่หลับมาหลายคืนหลายวันกลัวจะมีชื่อไปเป็นรัฐมนตรีกับเขาแล้วไม่มีก็แล้วไปบางคนไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็โศภากรโศกีหน้าที่การงานหมดไปร้องโหมร้องไห้กันขวักกันอย่างนั้นตามภาษาของสัตว์โลกสัตว์โลกยังติดโรคชโลกดี นี่เป็นอย่างนี้พูดมาตั้งตอนนี้ก็คิดได้เรียนถวายขอเจริญพรให้ขมคิดรัฐบาลก็มือมาจากประชาชนประชาชนถ้าคนไม่ดีแล้วไม่ได้อบรมบ่มในใสัยนิสัยไม่ดีข้อต้องอย่างที่พูดมาคืนนี้ไม่ใช่วิชาการวิชาการตัดไปเลยเพราะมันต้องเรียนจากนั้นมันต้องมีความรู้ทุกคน ถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตมีหน้าที่การงานได้รับผิดชอบได้แต่นิสัยข้อสองไม่ดีแต่หากว่าประชาชนทั้งหมดนี้นิสัยไม่ดีซะแล้วกิจกรรมในชีวิตไม่ดีจะมีความรู้ยังไงก็เอาดีไม่ได้แล้วก็ไปร่วมเป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นรัฐบาลก็ดีไม่ได้เพราะรัฐบาลมาจากประชาชนเพราะประชาชนไม่ดี ในไสใช่ไม่ได้ก็ไปเป็นรัฐบาลในเมื่อถึงจุดมุ่งหมายรัฐบาลแล้วก็บริหารไม่ดีแล้วจะดีได้อย่างไรขอท่านทั้งหลายผู้มีปัญญาผู้เป็นบัณฑิตปรดมีความคิดสูงบัณฑิตตัวนี้หมายความมีความคิดสูงมีความคิดลึกซึ้งมีความละเอียดอ่อนในปัญญาของตอนจึงเรียกว่าบัณฑิตในที่นี้มีความหมายบางคนเป็นบัณฑิตกระดาษรับปริญญามาแล้วใช่ไม่ได้ ไมไ่เคยเอาความรู้ที่ได้เรียนมาเลยเอามาเกิดประโยชน์ในชีวิตกิจประจำวันเป็นบัณฑิตในการบริหารงานแต่ประการใดนี่มีความหมายอยู่มิใช่น้อยต่มาก็ขอให้โอกาสและให้ข้อคิดแก่ท่านคณะญาติโยมหญิงโยมชายด้วยเพื่อเป็นข้อคิดเป็นแนวชีวิตต่อไปในโอกาสข้างหน้าเราต้องการมีความเจริญกันทุกคน ต้องการมีความรู้มีหลักฐานต้องการให้มีงานทําและต้องการจะมีคู่ครองก็ต้องเป็นทองแผ่นเดียวกันต้องการมีมนุษย์ในสัมพันธ์ในสัคงคองจะได้อยู่ร่วมกันอยู่ผาสุกอยู่ด้วยความเมตตาธรรมอยู่ด้วยความสนุก ร, รื่มมนเริงบันเทิ่องใจไม่ต้องการจะอยู่ด้วยความแตกแยกและแปลกกันนี่จุดมุ่งหมายของมนุษย์อันแสนจะสุดซึ้น มีความหมายอย่างนี้แต่บางคนไม่มีความเข้าใจอย่างนี้เลยอ๋อเจริญพอรอย่างนั้นบางคนก็เกิดมาเป็นมนุษย์เสียเปล่าไม่เข้าท่าแต่ทำความเป็นมนุษย์ให้ผิดแพกแตกแยงไปนี่แหละพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยคนเราเกิดมาเหมือนกันมีหูมีตามีปากมีฟันอาการสามสิบสองด้วยกันทั้งนั้นแผกหญิงชายแยกออกไปเป็นหญิงหรือเป็นชายช่านั้น แยกออกไปอีกแยกไปด้วยกฎแห่งกรรมการกระทํำของแต่ละคนไม่เหมือนกันมาพรั้งอดีตชาติจึงเกิดมาไม่เหมือนกันเทเบเจ้าทั้งหลายเขก็โดนบันดาลให้มาเกิดตามฐานะของบุญวัสนาที่จะมาจะขอบปล่าต่อไปว่าแข่งเลือแข่งแพ้เพราะจะแข่งกันได้มีกําลังก็จับชนะได้ยิ่งซ้อมป็ิ่งชนะแต่บางคนจะไปแข่งบุญวัสนาเนี่ยแข่งแสนจะ ย, ยากมีความลําบากในชีวิตเหลือเกิน จะแข่งกับเขาได้ยังไงบางคนไม่มีบา ร, รมีมาแต่ชาติก่อนวาสนาก็ไม่เกิดคนเราจะต้องมีบา ร, รมีก่อนบา ร, รมีแปลว่าความเพียบรบารมีแปลว่ากลา้าบา ร, ร, รมีแปลว่าไม่กลัวเดี๋ยวต้องสร้างความดีเช่นนี้บา ร, รมีแปลว่าอดทนอดกลัน่นอดออมบา ร, รมีแปลว่าซึ่งฝืนใจได้จึงเกิดบา ร, รมี เกิดกุศลบุญญาสีอย่างนี้เรียกว่าบารมีหลายชัน้นบารมีชั้นปฐมคือต้องมีความเพียรบารมีชั้นมัธยมต้องมีอุตสาหะให้สมเหตุตามเป้าหมายของตอนบารมีชั้นมหาวิทยายลายัยข้าพเจ้าไม่กลัวข้าพเจ้าจะต้องทําข้าพเจ้าต้องกล้าทําความดีไม่กลัวผู้บังคับประชาไม่กลัวใครทั้งนั้นอย่างนี้บารมีชั้นมหาวิทยายลายัย มันมีบารมีแยกกันเป็นประเภทคนชั้นชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาชั้นมาหาวิทยาลัยถ้าใครดึงถึงบารมีชั้นมหาวิทยาลัยจะไม่กลัวจะไม่เป็นใขรต้องทําความดีโดยไม่ต้องปอยอไม่ท้าพนอกับใครข้าพเจ้าจะต้องกลุ้ไม่ต้องกล้ากล้าทําความดีทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งภายนอกและภายในทั้งในใจด้วย ต่อหน้าก็ทำอย่างนั้นรับหลังก็ต้องทำอย่างนั้นนี่เรเรียกบารมีชั้นสูงบารมีของชั้นมหาวิทยาลัยบารมีชั้นต่ำก็ยังยังแย่อยู่คือต่อหน้ามาพลาบรับหลังต่อโกต่อหน้าส้มโอรับหลังส้มเชงเช ง, งไม่ลงไม่เอาเนื้อเอาไตาเลยปอ ย, ยอปอยแยกันไม่ได้พูดความจริงเลยเอาความจริงมาพูดบ้างหรือไม่ประการใดเพรกลัวจะพูดจริงไปก็กลัว จะทำถูกต้องไปก็กลัวผู้มครับบัญชากลัวคนโน่นคนนี้เลยก็เป็นเช่นนี้อย่างกล่าวมาถ้ามีบา ร, รมีชั้นสูงจะไม่กลัวเกรงท่านผู้ใดเพราะทำถูกต้องทำโดยเหตุผลทำโดยข้อเท็จจริงเอาตะช่างขึ้นมาดูต่ทูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดเล่าเฝ้าตวัดตลอดเายการนี่ข้อปฏิบัติจึงไม่กลัวใครกล้าทาความดีทั้งต่อหนะ้าและหลัง พนที่ไม่ดีเท่าที่จดทั้งบารมีชั้นมหาวิทยาแล้วจะ ก, กลัวเกรงไปหมดไม่อยากจะทํากลัวเขาว่ากลัวเขาจะด่ากลัวเขาจะนินทากลัวเขาจะฟ้องร้องก็กลัวอย่างนั้นมันกลัวไปหมดอย่างนี้เราก็ยังไม่มีบารมีชั้นมหาวิทยาลัยเราก็มีบารมีขั้นประถมเพื่อทางานตั้งใจทําและขยนันทําและงานให้เสร็จนี่เท่านี้ยังเป็นบารมีชั้นตาม บารมีชั้นสูงก็ต้องดูเหตุผลข้อเท็จจริงจะไม่กลัวเกรงท่านผู้ใดไม่ใช่หมายความเราอยู่ผู้ขัง้าบัญชาสั่งให้ทําก็ทําส่งขาดเทขาดผนในเมื่อขาดเทขาดผลเกิดขึ้นจะนีแล้วทําไปก็กลัวคนโน้นกลัวคนนี้เลยก็กลัวผู้ขังบัญชาเลยทําผิดกันมาจนบัดนี้เลยผิดไปผิดมาทํายังไงขอท่านทั้งหลายโปรดคิดเลยก็ผิดแล้ว เราก็จะไปซัดผู้บังคาบบัชาให้ทำแต่ผู้บังคับบัญชาจะเลี่ยงออกเขาจะยัดเยียดเราคนเดียวเลยเราก็กลายเป็นคนผิดผู้บังคาบบัญชาจะไม่รับผิดชอบเราเลยอ๋อฝากท่านบฑิตไว้ให้คิดด้วยในวันนี้ไม่ย่าทำงานทรงเดชนะเราะวังเราไว้และปอกป้องรักษาไว้ให้ดีจะได้เป็นผู้มีปัญญาทำอะไรก็ต้องมองหน้ามองตาดูสิ่งแวดล้อม ผู้ขับไปชาสั่งแล้วไกดแห่งก ร, รม้มบางแห่งอาตมาเห็นเนี่ยมั่ววานี่มาร้องไห้บอกน้องพ่อช่วยลดระมัดลดทำไมเขาจะสอบสวนผมแล้วแหมผมเสียใจยทั้งผัวเมียร้องไห้โศกภาคลองโศ ก, การหน้าเวทนายิ่งทำตามผู้ขับชาผู้ขับชาให้เขียนและให้ทำอย่างนี้แล้วก็เอาของไปแจกอย่างนี้เอาไปยัดอย่างนี้ไปทำอย่างน้อง นายทีสดก็กลายเป็นผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการผมก็รู้ครับหัวข้อว่าผิดแต่ที่ทำนั่นภูม้ว่าประชาสั่งสั่งให้ทํานี่โปรดจําไว้ด้วยเป็นประสบการณ์เลยก็ทําตามภู้ว่าปรชาสั่งสรุปออกมาว่าผิดสอบสวนกันไปสอบสวนกันมาภู้ว่าปรชาก็โดดออกไปเสียไม่ช่วยลูกน้องเลยไม่ช่วยแล้วลูกน้องจะไปซัดตก็ไม่ได้ลําบากใจ ต้องกินข้าวก็น้ำตาหน้าเวทนายิ่งคืนก็ต้องออมขมก็ต้องกลืนเป็นความฟื้นในใจไม่ได้ภูมิค่าชาหนีซะแล้วไม่ยอมช่วยปาดออกไปบอกไม่ทราบบอกเธอทำเองเราไม่ได้สั้งอะไรทำนองนี้เลยก็ต้องโดนสอบสวนต้องโดนไล่ออกแน่นอนนี่มาร้องไห้เมื่อคืนนี้จะมาช่วยบอกหลวงพ่อจะดูกฎแห่งกรรม ว่าผมจะโดนไล่ออกเรื่องไงผมมีลูกสามคนผมจะไปเอาเดือนที่ไหนแล้วผมจะไปทำหมากินที่ไหนถ้าผิดวินยัยแล้วอย่างรายแรงผมโดนไล่ออกผมก็คงสมัครงานอื่นไม่ได้อย่างดีก็ไปทํางานรับจ้างรับจ้างเขารู้เขาว่าผมเนี่ยผิดวินยัยกิจกรรมไม่ดีเขาก็จะรับผมได้อย่างไรครับร้องไห้อย่างหน้าเวทนานี่ขอฝากเขาด้วยทําตามผู้ใหญ่สัก แล้ผู้ใหญ่ไม่ช่วยผู้น้อยเลยนี่เห็นไหมเอาด็ดตัวออกไปเลยเหมือนเครื่องบินจะตกเลยดีดออกไปแต่ผู้เดียวเปิดเปิ ด, ปดโดดล่มไปเลยเดีดออกไปเสียแล้ว ก, ก็เราก็ต้องตายตกเครื่องบินตายอย่างนี้แน่นอนเขาดีดตัวเขาออกนายจะสุดใครเขจะไปเชื่อเราเขาก็ต้องเชื่อผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาก็ซัดตูมเข้าไปอีก บอกไม่รับสั่งนี่ต้องโดนไล่ออกแล้วขนาดนี้โดนสอบสวนแต่จะไม่ออกชื่อวกับสูงไหนต้องโดนไล่ออกแน่นอนอาตมาคิดแนวกว่าน่ า, นาสงสารเขาบอกอย่างนี้เธอไปสวดมนต์พาหุ่นามา ก, กานั่งเจริญกรรมฐ า, านเข้าอย่าร้องไห้เลยบรรเวนกรรมของเราที่ทําไว้มาจากปางก่อนสู้ทนไปเถอะทําใจสบายยอมรับกรรมเสีย และอย่าปฏิเสธทุกข้อหาเธอไม่น่าจะไปเชื่อภูมิเข้าประชาอย่างเลวซามต่ําชาเช่นนี้นี่เป็นข้อคิดเมื่อคืนนี้สดสดละร้อนเฉียบอย่าร้องไห้เขามาหาเอาขี้หูเขามาหาเอาขตาเขามาห้เวลาดีๆไม่เคยมาเลยก่อนจะทำํำน่าจะมาถามเราสักคําว่ามันถูกผิดประการใดเราจะเน้นะแนวให้ต้นงานเสร็จแหละจนมีเรื่องมีราวเขาจะข่าววอ ก, กันอยู่แล้วจะมาหาราว แล้วเราจะช่วยได้อย่างไรเล่าอันนี้มีความหมายหลายประการขอเจริญพรพี่น้องโจทละวรละวัดระวังให้ดีด้วยนี่ถึงจะเป็นผู้บงังคับบัญชาชั้นต่ำก็ตามนี่โดนซาตตูขก็ไปแล้วนี่เห็นไหมที่มาเมื่อคืนนี่สีอะไรสีหกสีหกเนียนาศิได้ที่บบรับราชการมานานจะต้องโดนไล่ออกอย่างแน่นอนที่ขอบอกกดแห่งกรรมวะ บอกไม่เป็นไรก็ช่วยกันก่อนหนักเป็นเบากระสวดมนต์ทาใจให้ดีๆถ้าใจดีเมื่อใดมันก็ได้เหมือนนั้นถ้าใจเสียเสียหมดทั้งพระพรากเสียหมดทั้งสุวรรณราชพระปลาตาจิตดีมีปัญญารับรองแก้ปัญหาได้นี่เนี่การนั่งกรรมฐานจึงมีประโยชน์แก้ปัญหากฎแห่งกรรมของชีวิตได้หนักเป็นเบาเบ า, เบาหายไปเลยมีหลายๆมาสองวันนี้ออกมาแล้วใคร แต่ตัางหลายอาจจำได้ก็ต้องถ่วยกันมาเป็นหน้าคิดหรือกดแห่งกรรมขอถ่ายไว้บอกคนอื่นบอกก็หมดนะมาสิกุนสิสุดสิดส้น ส, ส, ส, สารสท้ายแต่แล้วก็ยังได้คนเรานี่มาเป็นกดแห่งกรรมนะตัขวขายตัวมันแต่ต่างหลายเ อ, อ๋อย่าประมาทอาบองค์ต่อสงครามชีวิตเลยชีวิตจะอับปางอย่างโยมที่ตายในวดัดนี้ไปเผามาแล้ววัดศรีมหาธาตุ แล้วรีบมาเนี่ยเห็นไหมนี่ผูดถึงเผาศพเป็นกฎแห่งกรรมเหมือนกันโยมนี่จะต้องตายลูกล่วงนาสะด้วยจะต้องตายในวันไหนป่วยไม่กี่วันไปโลกเมเล็งเห็นไหเนี่ยเห็นชัดที่ตับกินหมดเลยต่มาไปเยี่ยมสองครั้งดีอกดีใจใจแข็งมากสติดีกอเห็นจะรอลูกสาวที่จะประเทศญี่ปุ่น มาถึงวันนี้ปรุงนี้ตายท่านที่